วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัตวผู้ฝ่ธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้กระทากันเพื่อเป็นการดับความทุกข์ใจให้แก่ผู้ที่กระทาหน้าที่นี้และเป็นการทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆ การที่พระพุทธศาสนาของพวกเรานี้จะอยู่ในโลกนี้ไปนานๆนนทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราคือให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเกิดจากการที่เราชาวพุทธนี้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ ถ้าเราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เราก็จะทำได้ประโยชน์ได้สองส่วนประโยชน์ส่วนตัวคือใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์แล้วประโยชน์ที่สองที่เราจะทำก็คือจะได้ช่วยให้ผู้อื่นที่ยังมีความทุกข์ยังไม่มีความสุขให้เขาได้มีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หน้าที่ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าท่งมอบหมายไว้นี้ก็มีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันที่จะต้องกระทำเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนจะทำขั้นที่หนึ่งแล้วก็ไปทำขั้นที่สองจากขั้นที่สองก็ไปทำขั้นที่สามขั้นที่สามก็คือขั้นแล้วก็ต่อไปที่ขั้นที่สี่ไม่ควรข้ามขั้นตอน ก็จะทำให้ไม่ได้ประโยชน์ตามที่ควรที่จะได้หน้าที่ของชาวพุทธเหล่านี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือให้เราศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอะไรบ้างทาอะไรบ้างเราก็ต้องเรียนรู้ก่อน เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ขั้นที่สองเราก็นําเอาไปปฏิบัติขั้นที่สองเราเรียกว่าปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติไปเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือทําใจเราให้มีความสุขมากขึ้นทําใจของเราให้มีความทุกข์น้อยลงและจนหมดสิ้นไปในที่สุด ถ้าเราทําได้สําเร็จเราก็จะไปถึงขั้นที่สามขั้นที่สามก็คือบรรลุผลของการปฏิบัติก่อนที่เราจะบรรลุผลได้เราต้องปฏิบัติคือก่อนที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้การที่เราจะได้พบกับความสุขอันประเสริฐของพระนิพพานได้เราต้องปฏิบัติกันก่อน ปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้สงบให้ใจของเราปราศจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้ผลคือใจก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เข้าสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปแต่การที่เราจะปฏิบัติถ้าเพื่อให้เกิดได้ผลขึ้นมาเราก็ต้อง รู้จากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องการจะรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็ต้องศึกษาวิธีต่างๆพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรกันบ้างสอนให้เราทำบุญทำทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราปฏิบัติธรรมหรือให้เราภาวนาซึ่งมีอยู่สองระดับคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เราต้องศึกษาการปฏิบัติแต่ละขั้นว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเราเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติเหมือนกับวิธีเราอยากจะทำอะไรสักอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นเราอยากจะทำกับข้าวเราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีทำกับข้าวว่าการจะทำกับข้าวอาหารชนิดนี้ ต้องทำอะไรบ้างต้องขั้นต้นก็ต้องไปหาส่วนประกอบของอาหารเช่<ม>นต้องมีผักมีเนื้อมีน้ำมีอะไรต่างๆมาเป็นส่วนประกอบเมื่อได้ส่วนประกอบแล้วก็ต้องรู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปควรจะต้ม อ, อะไรควรจะผัดอะไรควรจะทำอะไรอันไหนก่อนอันไหนหลัง วิธีการทำอาหารเขาก็มีขั้นตอนของเขาถ้าเราไม่ทำตามขั้นตอนของเขาทำไปแล้วเราก็จะไม่ได้อาหารตามที่เขาได้กันถ้าเราไม่ได้เรียนรู้วิธีการกระทำที่ถูกต้องก่อนว่าต้องทำอย่างไรบ้างนี่ก็คือ <c oughs> หน้าที่ของชาวพุทธเราท่านที่หนึ่ง ให้เราศึกษาภาษาบาลีท่านก็เรียกว่าปริยัติหรือปริยัติธรรมญาโยมคงได้ยินตามวัดต่างๆจะมีโรงเรียนปริยัติธรรมรนั่นก็คือโรงเรียนที่สอนธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองสอนทั้งระดับทานระดับศีลระดับภาวนาการศึกษาในภาษาบาลี ท่านเรียกว่าปริยัตยิเมื่อได้ศึกษาแล้วก็นำอาไปปฏิบัติการปฏิบัตินี้ก็เป็นภาษาบาลีเช่นเดียวกันปริยัตยิปฏิบัติเพื่อให้ได้ปฏิเวทปฏิเวทนี้แปลว่าการสำเร็จการได้บรรลุทำขั้นต่างๆการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆ การได้พบกับความสุขในระดับต่างๆเรียกว่าปฏิเวรได้คือได้รับผลจากการปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวรอันนี้เป็นคำที่มีคู่อยู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกก็เป็นการเปิดโรงเรียนปริยัติธรรม พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์สอนเป็นครูสอนนักศึกษาที่มาเรียนนุ่นแรกก็คือพระปัญจาวาคัคคีและจาพระปัญจาวาัคคีได้มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชาวันก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันวันนั้นเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าได้เปิดโรงเรียนปริยัติธรรม พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์คนแรกของโรงเรียนนี้และลูกศิษย์ห้าคนแรกของโรงเรียนนี้นักศึกษาของโรงเรียนนี้ห้าคนก็คือพระปัญจวคีที่เคยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสุลุเคยติดตามติดซอยห้อยตามรับใช้พระพุทธเจ้าคอยเรียนคอยศึกษาจากพระพุทธเจ้า แต่พอพระพุทธเจ้าท่านไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะตัดสั้ด้วยการอดพระกายาหารพอพระพุทธเจ้าทรงหยุดการอดพระกายาหารความศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าของพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็หมดไปท่านก็เลยแยกทางไปไม่ไม่ติดตามไม่ติดสอยห้อยตาม ไม่มีศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าล้มเหลวพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะตัดสั้ไม่สามารถที่จะเอาชนะความความตายได้ก็เลยเสื่อมศรัทธาแต่หลังจากที่พระเจ้าได้ได้อยู่ประทับตามลำพังและได้ได้ปฏิบัติต่อด้วยการใช้การ ภาวนาเป็นวิธีการดับความทุกข์แทนที่จะใช้การทรมานร่างกายเป็นวิธีดับความทุกข์ท่านก็มาเปลี่ยนวิธีมาทรมานกิเลสมาห้ามกิเลสมาห้ามความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของพระองค์ให้สิ้นสุดลงให้หมดไปพอท่านสามารถปราบกิเลสความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้แล้ว ความทุกข์ต่างๆก็หายไปหมดท่านใจของพระพุทธเจ้าก็มีแต่ความสุขมีแต่บาลมมสุขตลอดเวลาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงคิดถึงพระปัญจวาคัคคีก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจวาคัคคีเพื่อไปสอนธรรมะให้แก่พระปัญจวาคัคคีพระปัญจวาคัคคีพอ เห็นพระพุทธเจ้ามาเยี <benefits> ่ยมก็ต <dont sleep> ้อนรับแต่โดยไม่มีความศรัทธาเหมือนเมื่อก่อนแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนนี้เราได้บรรลุธรรมแล้วเราได้พบวิธีการดับความทุกข์ต่างๆแล้วขอให้เธอฟังเราสอนพวกเธอสักหน่อยเขาก็เลยฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า เขาก็เป็นนักศึกษารุ่นแรกของพระพุทธศาสนานักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนพระพุทธศาสนาโรงเรียนปริยัติธรรมนี้ก็มีนักนักเรียนอยู่ห้ารูปด้วยกันหลังจากที่ทรงสอนทรงแสดงธรรมในรูปแบบต่างๆภายในไม่กี่ครั้งพระปัญจวคีทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ขึ้นมาพร้อมๆกันหลุดพ้นจากความทุกข์ดับกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้อย่างสิ้นเชิงอย่างหมดสิ้นไปจากใจใจได้พบกับความสุขของพระพระนิพพานแล้วก็สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของใจใจไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมามีร่างกายอีกต่อไป เพราะความอยากที่ดึงให้ใจมาเกิดนั้นถูกการปฏิบัติทำลายไปหมดสิ้นแล้วท่านก็เลยบรรลุธรรมเรียกว่าปฏิเวทศึกษาก่อนฟังก่อนพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรพระพุทเจ้าสอนว่าให้ละความอยากกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัวที่มาคอยดึงใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนี้ไม่ใช่ตัวไหนหรอก ตัยความอยากสามตัวนี้ถ้ายังอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆอยู่ก็จะต้องหาไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความอิน่นความพอขึ้นมาในใจเกิดความสุขแบบควันไฟสุขเดียวเดียว สุขตอนที่ได้ไปเที่ยวสุขตอนที่ได้ไปดูไปฟังสุขตอนที่ได้ไปกินไปดื่มพอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็อันตรานหายไปเหมือนควันไฟปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหิวโหยเหมือนเดิมก็เลยต้องเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ อ, อยากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้ความอยากนั้นหมดไปแต่ร่างกายที่ตอบสนองความอยากมันก็ มีเวลาที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วจะต้องตายพอร่างกายตายไปใจที่ยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาเสกต่อนั่นเองก็เลยไปเกิดใหม่เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เกิดมาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วใจของพวกเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่แสนล้านล่างแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ใดที่เรายัางไม่ได้หยุดความอยากทั้งสามความอยากเสพรูปเสียงกิ่นลดความอยากมีกเป็นเชนตอนนี้อยากเป็นสสอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐบาลกันก็ต้องพาให้ไปดินกนันดินไปหาสิ่งที่จะทำให้ตนเองได้เป็นสสได้เป็นรัฐบาลสิ่งนั้นก็คืออะไรก็เสียงของประชาชนนั่นเอง อันนี้เลยต้องไปหาเสียงกันอันนี้หิวเสียงอยากได้เสียงอยากได้เสียงมากๆอันนี้ก็เป็นภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากมีเสียงอยากได้เสียงหรืออยากกามตันหาก็ได้อยากได้เสียงเสียงที่สนับสนุนลงคะแนนให้เพื่อที่ถ้าได้เสียงข้างมากก็จะได้ไปเป็นรัฐบาล มาได้เป็นรัฐบาลก็จะได้ใช้อำนาจของรัฐบาลมาตอบสนองความอยากต่างๆอยากจะแบ่งอยากจะกันแกล้งใครอยากจะเบียดเบียนใครก็สามารถทำได้เพราะมีอำนาจคนถึงอยากจะเป็นรัฐบาลกันเพราะเป็นรัฐบาลแล้วมีอำนาจสามารถชี้ชีฟ้ฟ้าชีน้นกเป็นนกชี้อะไรเป็นอะไรตามความต้องการได้ แต่ถ้าไม่มีอำนาจชี้ไปก็ไม่มีความหมายอะไรนี่ก็เกิดจากความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาอยากเป็นรัฐบาลอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นอะไรต่างๆแต่เวลามหาเสียงไม่ได้บอกว่าฉันอยากจะเป็นรัฐมนตรีฉันอยากจะมีอำนาจฉันอยากจะมารับใช้ประชาชนอยากจะทำนู่นทำนี้ให้ประชาชนแต่พอได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้ว ไม่เคยมาหาประชาชนประชาชนเดือดร้อนอยังไงก็เป็นเหมือนกับหูหูทวนทวนลมไปประชาชนน้องบ่นยังไงก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ต้องการเสียงของประชาชนแล้วพอได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐบาลแล้วทีนี้ก็ไปฟังเสียงของผลประโยชน์อันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันแล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ประโยชน์ของคนเซ็นชื่อเป็นหลักว่าคนเซ็นชื่อจะได้เท่าไหร่อันนี้พูดไปเดี๋ยวถูกเก็บแต่นี่เป็นความจริงซึ่งพวกเราทุกคนก็คงจะรู้ใจเห็นกันอยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่ในระบอบระบบแบบนี้เขากำหนดระบบแบบนี้มาทำยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะตัวที่มาทำให้เกิดระบบเหล่านี้ขึ้นมาก็คือตัวกิเลสเนี่ย ตัวความอยากมีอยากเป็นเนี่ยตัวที่อยากจะมีอำนาจอยากจะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะการที่จะมีอำนาจมีมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีอำนาจมีอานาจก็ต้องมีหน้าที่มีตำแหน่งพอมีหน้าที่มีตำแหน่งก็สามารถเสกรูปเสียงกลิ่นรส อยากจะดูอะไรก็ได้ดูอยากจะฟังอะไรก็ได้ฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรก็ทำได้ัน mm hmm. นี้แหละคือตัวที่ทำให้ทุกคนดิ้นรนกันไปไปเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ไปไปหลอกกันว่าจะไปทำนู่นทำนี่ให้แต่ความจริงไม่เคยพูดเลยว่าทำเพื่อตัวเองเนี่ยที่ไปทำนี้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อความอยาก ทำเพื่อการมติฐานหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาแต่มักจะอ้างประเทศชาติถ้าทำเพื่อประเทศชาติาตอนนี้ประเทศชาติเราไม่รู้ลุ้งเรืองไปถึงไหน แ, แต่มันกี่สิกีป่ปีมันก็เหมือนเดิมนนัะมันก็อยู่ในอ่างอันเดียวกันวนไปเวียนมาอยู่กับสภาพแบบนี้มาตลอดก็เพราะว่าเมื่อได้มีอำนาจแล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนกับพวกมากกว่าหาผลประโยชน์ให้กับ ประเทศชาตินั่นเองแต่ น, นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสถ้าอยากจะแก้ระบบนี้ต้องแก้ที่กิเลสถ้าเอาเลือกพระอภิรฐานเข้าไปเป็นรัฐบาลได้รับประกันได้ว่าจะได้รัฐบาลที่ดีอย่างแน่นอนแต่ประชาชนก็อาจจะไม่ชอบพระอภิรฐานก็ได้เ <laughs> พราะพระอารหารจะไปห้ามไม่ให้เที่ยวกันไม่ให้กินไม่ให้ดื่มกันให้ไปวัดกัน เพราะฉะนั้นก็ทางโลกกับทางธรรมมันเลยไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปทางธรรมเราก็อย่าไปสนใจกับทางโลกถ้าเราอยากจะไปทางโลกก็อย่าไปเอาทางธรรมไปด้วยเพราะมันไปด้วยกันไม่ได้มันเป็นมันเป็นคนละทางกันถ้าไปทางธรรมนี่เป็นการไปตัดกิเลสไปยุดไปหยุดความโลภหยุดความอยากต่าง ถ้าไปทางโลกก็ไปตอบสนองคตัญหาความอยากต่างๆแต่ถ้าไปทางโลกมันก็พาไปสู่ความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าไปทางธรรมมันก็จะพาไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรไปทางโลกก็ได้ความสุขแบบชั่วคราว ไปเป็นรัฐบาลก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่กี่ปีก็ต้องเลือกตั้งใหม่อีกแล้วแล้วถ้าไม่ได้รับเลือกกลับไปก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมาดังนั้นทางโลกนี้มันเป็นทางสู่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆทางธรรมนี้สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์สู่ความสุขที่ถาวรความสุขทางใจที่ถาวร ความสุขทางใจนี้เกิดจากการไม่มีอะไรเกิดจากการไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอะไรนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในครั้งแรกของการแสดงธรรมพอผู้ศึกษาได้ยินได้ฟังเข้าใจก็นําเอาไปปฏิบัติได้เพราะเขาได้ปฏิบัติมา หลายมามาเกือบหมดแล้วขาดอยู่เพียงอย่างเดียวที่ยังไม่ได้กระทําก็คือหยุดความอยากทั้งสามนั่นเองเขารักษาศีลแล้วเขาฝึกสมาธิหาความสุขจากความสงบได้แล้วแต่เขายังไม่สามารถไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเขาพอเขารู้จากพระพุทธเจ้าว่าความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้ใจต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆพอหยุดความอยากได้ ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์<ม>ก็บรรลุธรรมขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวท<ม>พอปฏิเวทแล้วบรรลุธรรมแล้ว<ม>ก็สามารถไปทําหน้าที่ขั้นที่สี่ได้คือนําเอาธรรมอันประเสริฐที่ตนเองได้สัมผัส ร, รับรู้ที่เกิดจากการบรรลุธรรมนี้เอาไปเผยแผสส่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติและเกิดผลได้เช่นเดียวกันนี่คือขั้นที่4หลังจากที่ได้หลุดพ้นได้ปฏิบัติได้ศึกษาได้หลุดพ้นแล้วก็ทำหน้าที่สอนคนอื่นให้หลุดพ้นต่อไปการที่เรามีพระพุทธศาสนามาอยู่ถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะมีการศึกษามีการปฏิบัติ มีการบรรลุธรรมแล้วก็มีการนำเอาธรรมที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปพอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็นำอาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติก็จะได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันแล้วพอได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้นำเอาปล่อยเผยแผ่สั่งสอนต่อไปอันนี้แหละเป็นการสืบทอดมรดกของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับชาวพุทธเราตราบใดที่ยังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรมอยู่ตราบนั้นศาสนาพุทธจะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้แต่ถ้าวันใดไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมไม่มีการเผยแผ่ธรรมแล้ววันนั้นก็จะ เป็นวันนับถอยหลังของของการมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ซึ่งตอนนี้พระพุทธศาสนาก็อยู่มาได้ 2,500 กว่าปีแล้วตามที่พุะเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าคงจะอยู่ได้ไม่เกิน 5,000 ปีเพราะทรงเห็นว่าการที่จะมีผู้ที่มาศึกษาผู้ที่มาปฏิบัติผู้ที่มาบรรลุ ธ, ธรรมและมีผู้ที่เผยแผ่ ธ, ธรรมนี้ จำนวนจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆในสมัยพระพุทธกาลนี่จะมีผู้ที่สนใจศึกษาปฏิบัติมรุษธรรมและเผยแผ่ธรรมกันเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยสั่งคอยสอนในเบื้องต้นแล้วก็มีพระอารหรันตสาวกมาคอยรับช่วงต่อไปศรัทธานในพระพุทธศาสนาในยุคแรกๆเจึงงีมาก พระพุทธศาสนาจึงเจริญความเจริญของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ไปวัดที่จํานวนของวัดวารามจํานวนของโบสถ์ของเจดีแต่เขาว่ากันที่ผู้ที่บรรลุธรรมว่ามีมากมีน้อยคือมีพระอารหันต์มากน้อยเท่าไหร่เพราะพระอารหันต์นี่แหละจะเป็นผู้ที่จะเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมต่อไปนั่นเอง แต่วัดวาอารามโบสถเจดีศาลาอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสอนให้ให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมได้เป็นเพียงสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาใช้ในการปฏิบัติเท่านั้นังนั้นชาวพุทธเราอย่าหลงประเด็นซึ่งยกนี้อาจจะหลงประเด็นกันไปบ้าง คือคิดว่าศาสนาของเราจะอยู่ได้ ย, ยั่งยืนต้องมีวัดเยอะๆต้องมีโบสถ์เยอะๆมีเจดีย์เยอะๆเราก็เลยไปทุ่มเทในการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างวัดอะไรต่างๆโดยที่เราไม่ค่อยไปให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุ ธ, ธรรมและการเผยแผ่ธรรมนั่นเองถึงแม้เราจะมีวัดวามาก ถ้าเราไปวัดที่ไม่มีคนสอนธรรมะมันก็เหมือนกับไม่ได้ไปวัดนั่นแหละไปแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่สามารถนำอาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพื่อสร้างความสงบสร้างความสุขให้แก่จิตใจได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงถ้าเรารักพระพุทธศาสนา ถ้าเราอยากจะให้พระพุทธศาสนานั้นอยู่คู่กับโลกนี้เพื่อทำประโยชน์ให้กับเราและกับลูกหลานของเรากับผู้ที่อนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาต่อไปนี้เราต้องทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียวสร้างแต่พราอารหรันจะว่าผลิตผ้าอารหันเกือบทุกวันเลยก็ได้เวลาไปแสดงธรรมที่ไหนนี้มักจะมีคนฟัง ที่หลังจากได้ยินได้ฟังแล้วก็จะบรรลุธรรมกันช่วงแรกๆนี้บรรลุ ก, กันเยอะเพราะผู้ที่ฟังนี้มีภาชนะลองรับธรรมของพุทธเจ้าภาชนะที่จะมาลองรับธรรมที่พระเจ้าทรงสอนคืออะไรก็คือใจที่สงบใจที่บริสุทธิ์จากการกระทําบาปทั้งปวงนั่นเองเห็นใจที่สงบทางกายสงบทางวาจา สงบทางใจใจที่สงบนมีศีลมีสมาธิพอได้ยินปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจ ท, ทันทีรู้ทันทีว่าอะไรเป็นตัวปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจที่พาให้ไปใจไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบสักทิ้งพอพระพุทธเจ้าชี้เป้าปั๊บก็เหมือนกับผู้ฟังนี้เหมือนกับมีปืนคอยคอยหาเป้าอยู่แล้ว พอพระพุทธเจ้าชี้เป้าว่ามันอยู่ที่นีอยู่ที่ความอยากของเราเนี่ยกามาตนะหาภวตนะหาวิภาวตนหาให้ยิงมันไปที่เป้านี้เลยพอมีศีลมีสมาธิก็จะสามารถยิงเข้าสู่เป้าได้ศีล ส, สมาธินี้เป็นเหมือนอาวุธปืนที่เราจะใช้ในการฆ่ากิเลสฆ่าความอยากต่างๆพอมีปัญญาจากพระพุทธเจ้าบอกว่าเป้าอยู่ที่ไหนเป้าอยู่ที่ความอยาก กามาันหาภาวะธันหาวิภาวะธันหาเท่านั้นแหละพอรู้ปั๊บก็ยิงเข้าไปที่เป้านั้นเลยพอเกิดกามาันหาก็ยิงมันเลยเกิดภาวะธันหาอยากจะไปเป็นสสก็ยิงมันเลยหยุดมันเลยอยากจะเป็นรัฐบาลก็หยุดมันเลยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ยิงมันเลยหยุดมันเลยหยุดมันให้ได้หยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้พอหยุดความอยากเหล่านี้ได้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หมดไป การที่จะไปเกิดเนื่องจากมีความอยากเหล่านี้ก็หมดไปไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายต่อไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ต้องอาศัยผู้ชี้เป้าผู้ชี้เป้าก็คือธรรมะคําสอนของพระ พ, พุทธเจ้านั่นเองทีท่เรามาศึกษากันนี้ก็มาศึกษาเรื่องของการชี้เป้าว่าเป้าหมายของ ที่เราจะต้องทำลายนี้มีอะไรบ้างและเครื่องมือที่จะทำลาย เ, าเป้านี้ต้องใช้อะไรก็ต้องใช้ศีลใช้สมาธิใช้ทานถ้าเรายังมีเงินมีทองอยู่ก็ต้องใช้ฐานด้วยถ้าไม่มีเงินมีทองก็ไม่ต้องใช้ทานใช้ศีลใช้สมาธิไปแล้วเราก็จะสามารถมาหยุดความอยากทำลายความอยากได้พอหยุดความอยากทำลายความอยากได้ ความทุกข์ก็หมดไปจากใจการเวียนว่ายตายเกิดของใจก็สิ้นสุดลงพอเราสำเร็จแล้วเราก็ทีนี้ก็ไปสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มปากไม่มีความลังเลสงสัยถ้าเราเพียงแต่เรียนแล้วเราไปสอนโดยไม่ปฏิบัตินี้เราจะสอนไม่ถูกสอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกสอนตามความนึกคิดของเราไม่ใช่ตามหลักความเป็นจริงของธรรมที่พระเจ้าทรงสอน แล้วก็จะสอนให้คนฟังในหลงทางได้เพราะว่าผู้สอนเองก็ยังไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปสอนใครนี้อย่าถ้าใจเรายังไม่บรรลุธรรมอย่าพึ่งไปสอนเพราะว่ามันอาจจะสอนให้ไปในทางที่ผิดได้ทำแบบผิดผิดถูกๆูแล้วจะทำไม่ให้เกิดผล ถ้าใครมาถามเราว่าวิธีจะทำทำอย่างไรเราก็อาจจะสอนได้ตามที่เราเข้าใจทัางนั้นตามที่เราได้ปฏิบัติแลได้เข้าใจมาหรือถ้าเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็อย่าสอนเขาดีกว่าให้เขาไปสอนกับผู้ที่รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าจะดีกว่า ตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคําสอนที่มีทรงแสดงไว้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถ้าใครก็อยากจะรู้ก็ให้ไปเรียนจากพระไตรปิฎกหรือเราเอาจากพระไตรปิฎกมาสอนบอกเขาก็ได้ว่าในพระไตรปิฎกท่านสอนให้เราทําทานสอนให้เรารักษาศีลหศีลแปสอนให้เราไปฝึกสมาธิเราก็อาจจะสอนในขั้นขั้นขั้นแรกๆขั้นภาพรวมได้ แต่ถ้าขั้นเจาะลึกเข้าไปนี่เราอาจจะถ้าเรายังไม่ได้ทํำเราอาจจะยังสอนไม่ได้ว่าทําทานอย่างไรเหมือนเรียกว่าทําทานถึงจะทําทานอย่างถูกต้องคนส่วนใหญ่เวลาทําทานนี่ก็คิดว่าทําทานเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ให้มีความสุขให้ร่ําให้รวยให้กลับเวลากลับมาเกิดแล้วจะรวยต่อเก่าอันนี้ก็เป็นความจริง แต่มันไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนา่เป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาให้เราทําบุญทําทานเพื่อให้เราไม่กลับมาเกิดวิธีที่ทำให้เราไม่กลับมาเกิดก็คือทําบุญทําทานเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาไม่ให้เราโลภ ก, กับการมีเงินมีทองถ้าเรามีมากกว่าที่เราควรจะมีเราควรจะเอาไปทําบุญทำทานหรือในที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็ สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเลยแล้วจะได้มีเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่การทำทานนี้เป็นการเหมือนกับการถอนสมอเรือเรือถ้าอยากจะให้มันวิ่งไปวิ่งมาให้มันลั่นไปลั่นมาต้องถอนสมอเรือมันถึงจะไปได้ถ้ายังยังทอดสมออยู่มันจะไปไม่ได้การที่ใจจะไปสู่นิพพาน ได้นี้อย่าะต้องถอนสมอเรืออจะต้องไม่ติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้ามีทรัพย์สมบัติก็มีไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นก็พอไม่ให้มีมากเกินกว่า น, น, นั้นถ้าไม่จําเป็นจะต้องมีก็ไปบวชถ้าไม่อยากจะมีเลยก็ไปบวชถ้าไปบวชก็จะมีคนเข้าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้เราเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาเงินหาทองไปมีเงินมีทอง เราจะได้มีเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มเต็มเวลานั่นเองเพราะการที่จะปฏิบัติจริงๆนี้ต้องต้องปฏิบัติเต็มเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะได้ผลดีถึงจะได้ผลเร็วถ้าปฏิบัติแบบมือสมัรเล่นทำแต่ทงานด้วยแล้วปฏิบัติด้วยเนี่ยมันจะไม่พอ เพราะเวลาที่เราไปทํางานทำอาหากินนี้มันจะมากกว่าเวลาที่จะเราเอามาปฏิบัติ<ม>แล้วเมื่อเวลาปฏิบัติมีน้อยผลก็จะได้น้อยกําลังที่จะปฏิบัติก็มีน้อย<ม>แต่ถ้าเรามีเวลาปฏิบัติมากผลก็จะมากกําลังที่จะทําให้เราปฏิบัติมันก็จะมีมากขึ้นไปตามลาดับแล้วมันจะทําให้เราสามารถมีกําลังที่จะสามารถอ ดับกิเลสหยุดกิเลสทั้งหลายที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้นี่คือหน้าที่ของการทำทานเพื่อถอนสมอเพื่ อ, อยเพื่อถอนสมอที่ดึงจิตให้ติดอยู่กับการหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ยังต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองอยู่เวลาที่จะนำามาไปให้กับการปฏิบัติมันก็น้อยไม่พอเพียงนั่นเอง ถ้าอยากจะปฏิบัติได้เต็มร้อยตลอดเวลานี้จาเป็นจะต้องไม่ไปหาเงินหาทองไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซึ่งในศาสนาพุทธท่านก็มีการบวชนี่แหละเป็นการที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ที่วัดแล้วก็จะมีผู้ที่มีเงินมีทองมาสนับสนุน เพราะพวกที่มีเงินมีทองนี้เขายัางตัดไม่ได้เขายัางตัดการมีเงินมีทองการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองไม่ได้เขาก็ยินดีที่จะแบ่งส่วนหนึ่งมาสนับสนุนผู้ที่ต้องการที่จะไปปฏิบัติเต็มที่ผู้ที่ไม่ต้องการจะมาเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาใช้เงินใช้ทองอันนี้คือหน้าที่ของทาน ถ้าเราอยากจะมีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่เราต้องเลิกหาเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทองอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องออกจากพระราชวังไปถ้าอยู่ในวังก็ต้องมีหน้าที่หาเงินหาทองมีหน้าที่ใช้เงินใช้ทองไปก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติได้เต็มที่ก็เลยต้องสละราชสมบัติเรียกว่าทานนทานใ น, ใ น, านในทางในทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนี้ อยู่ที่การปลดปื้อยจิตใจให้พ้นจากภาระของการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็เลยมีการทําทานกันผู้ที่ยังไปปฏิบัติไม่ได้ก็สนับสนุนผู้ที่ไปได้และผู้ที่ไปได้เมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้กลับมาสั่งสอนผู้ที่ยังไปไม่ได้ให้เขาเห็นคุณค่าของการไปปฏิบัติของการไป บรรลุธรมว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการมีทรัพย์ ม, มีเงินมีทองหลายร้อยหลายล้านเท่าด้วยกันพอเขาได้ยินได้ฟังบ่อยๆเขาก็จะอดที่จะเกิดความศรัทธาความเชื่อเกิดความอยากที่อยากจะไปบวชก็ได้ต่อไปทำไมเราถึงยังมีคนมาบวชกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่ามีคนที่ไปบวชแล้วได้รับผลดีจากการบวชคือพระสาวกพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า มาแสดงทำมาสอนอยู่เรื่อยๆอย่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มีมาตั้งแต่ยุคของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็ไปบวชแล้วท่านก็บรรลุไปศึกษาไปปฏิบัติแล้วท่านก็บรปปบลบรลุทำบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เอาธรรมที่ท่านบรรลุนี้มาสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาก็ออกบวชกันกลายเป็นลูกศิษย์รุ่นต่อมา ที่เราเขาที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อเช่หนหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงพ่อลีหลวงตามหาบัวเป็นต้นนี่ท่านท่านพระเหล่านี้เมื่อก่อนก็ยังเป็นค า, ารวะเหมือนพวกเราอยู่แต่พอได้ยินได้ฟังกิติศัพท์ของหลวงปู่มั่นได้ยินได้ฟังถึงการบรรลุถึงพระนิพพานนี้ว่าวิเศษอย่างไรการเห็น การรู้ว่าไม่ต้องกลับมาเวียนไหวใต้เกิดได้นี้ทําอย่างไรก็ทําให้เขาเกิดมีศรัทธาเขาก็เลยตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติทําทานทั้งสุดท้ายมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็สละไปหมดแล้วเพื่อที่จะได้ไปบวชเมื่อบวชแล้วก็จะได้มีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมกันนั่นเองแล้วท่านก็เป็นบรรลุเป็นพออาาระอรหันต์ตามกันมา รุ่นหลวงปู่มั่นกท่านก็ผลิตรุ่นลูกศิษย์ของหนุงปู่มั่นรุ่นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็มาผลิตลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกทีเนี่ยก็จะมีการกระทําอย่างนี้เป็นเป็นช่วงๆไปเป็นการสืบทอดเป็นการถ่ายทอดมรดกอันน้ําค่าคือมรรคผลนิพพานไปสู่อนุชนรุ่นหลังตามลําดับต่อไปจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการทําทานในเบื้องต้นก่อนต้องตัดเรื่ม การหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองการมีเงินมีทองไปเพราะเงินทองนี้ไม่ได้เป็นเป็นตัวที่ให้ความสุขกับใจเป็นแต่ให้ความสุขกับร่างกายได้สามารถทําให้ร่างกายอยู่อย่างสุขสบายได้แต่ก็ไม่สามารถทําให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดีไม่ดีกับทําให้ใจทุกข์มากกว่าเดิมพึ่งตอนที่ไม่มีเงินนี้ กับตอนที่มีเงินนี้บางทีตอนที่มีเงินนี้มันทุกข์มากกว่าลองไปถามคนที่ถูกวอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดูพอเกิดลองถูกลอตเตรี่รางวัลที่หนึ่งทุกอะไรตามมาไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีๆก็มีทุกจากคนนั้นทุกจากคนนี้คนนั้นก็มาขอเงินคนนี้นก็มาขอยืมเงินพอไม่ให้ก็โดนเขาด่าโดนเขาว่าโดนเขาสาบแช่งหาว่าเห็นแก่ตัวไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับพี่น้อง ถ้าไม่มีก็ไม่มีใครมาขอยืมไม่มีใครมาขอเงินอันนี้แหละเงินทองมัน ม, มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นสุขก็สุขทางร่างกายเท่านั้นเองมันทำให้มีกินมีใช้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ใจนี่อาจจะไม่สุขสบายไปกับร่างกายเลยต้องคอยอยู่แบบหลบๆซ่อนๆกลัวคนนั้นจะมาขอเงินกลัวคนนี้จะมายืมเงินกลัวคนนั้นจะมาด่าตัวคนนั้นจะมาว่า อันนี้แหละทุกขลาภท่านบอกการมีเงินมีทองไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือการไม่มีเงินมีทองดูพระอรหันต์แต่ละรูปนี้ท่านไม่ได้หลุดพ้นด้วยเงินทองไม่มีใครหลุดพ้นด้วยเงินทองเป็นเศรษฐีก็ต้องสละทรัพย์สมบัติแล้วก็มาบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ อย่างมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งได้ละได้สละสมบัติแล้วก็ไปไปบวชกับพระพุทธเจ้าศึกษากับพระพุทธเจ้าปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หลังจากได้เป็นพระอาหารหันต์ท่านก็พบกับความสุขที่ท่านสุดที่จะกั้นไว้ในใจได้เดินไปไหนท่านก็จะบ่นว่าสุขหนาสุขหนอสุขหนอ พระเนที่ไม่เข้าใจท่านก็คิดว่าท่านไม่มีสติเรื่องไงท่านเพอ้อเจอ้อเรื่องไงเดินไปทํำไมไม่สํารวมเดินไปก็บ่นว่าสุกเนาะสุกเนาะก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็ต้องเรียกตัวมาสอบว่าเธอเป็นอย่างไรเธอไม่มีสติหรืออย่างไรเธอถึงปล่อยเพอ้อเจ้อออกมาอย่างนี้ท่านก็ตอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นกับผมผมมีสติตลอดเวลาแต่ผมอดกั้นไม่ได้ ที่จะต้องอุทานออกมาเรื่อยๆกับความสุขที่ผมได้รับจากการได้บรรลุธรรมสมัยผมเป็นเศรษฐีนี้ผมมีแต่ความทุกข์ใจกับทรัพย์สมบัทเข้าของเงินทองไม่เคยได้เจอกับความสุขแบบที่ผมได้รับจากการปฏิบัติเลยพอเล่าให้พระรพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าบอกอ๋อไม่เป็นไรอย่างนี้แสดงว่าเธอมมีสติครบสมบูรณ์การมีความสุขนี้มันเป็นความปื้มปิติ ควาเพิ่มปิติในใจซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็อาจจะเผลอปล่อยให้มันอุทานออกมาได้สุกหนอสุกเนออันนี้แหละจะเป็นเศรษอยากจะไปเป็นไปนิพพานอยากจะเป็นก็ไปหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะเป็นพระอรหรนันต์นี้ต้องสละต้องสละทระัพย์สมบัติสละสถานภาพเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องสละเป็นเศรษฐีก็ต้องสล ะ, นสสะคนที่สละไม่ได้ก็ไปไม่ได้ อย่าไปหวังว่าจะไปเป็นไปเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานในขณะที่ยังเป็นเศรษฐียังเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้เป็นไม่ได้ยก เ, เ, เว้นในกรณีบางกรณีเช่นพ่อของพระพุทธเจ้านี่เจ็ดวันก่อนจะตายพระพุทธเจ้าไปโปรดแสดงธรรมอสอนให้ท่านวิธีบรรลุธรรมจนท่านสามารถปฏิบัติตามได้ท่านก็บรรลุธรรมได้เจ็ดวันก่อนตาย แต่ตอนนั้นท่านก็เป็นเหมือนกับไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเพราะเป็นคนป่วยนอนติดเตียงคนที่ไม่ทําหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้แล้วอันนั้นเพื่อไม่มีหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินมาเกี่ยวข้องด้วยมามาขีดขวางการปฏิบัติธรรมถ้ายังมีหน้าที่เป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์เป็นอะไรอยู่เป็นนายกเป็นอะไรอยู่นี้รับประกันได้ว่าไม่มีทางที่จะไปในพระนิพพานได้ คนที่จะไปนิพพานได้นี่ต้องเสียสละต้องทําทานต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีหมดแม้กระทั่งครอบครัวก็ต้องสละลูกเต้าก็ต้องสละสามีภรรยาก็ต้องสละต้องทําทานหมดยกให้คนอื่นไปให้หมดเพราะฉะนนั้ถ้ามีแล้วมันจะเป็นอุปสรรคมันจะเป็นห่วงจะเป็นบ่วงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเวลาที่ได้ยินข่าวว่าพระแม่เหสีได้คลอดลูกลูกชายมา พอได้ยินก็บอกว่าราหุนราหุนแปลว่าบว่บวงบ่วงรัดคอแล้วถ้าไม่รีบหนีไปจะถูกบ่วงนี้มารัดคออย่างแน่นอนก็เลยต้องหนีออกจากวังไปต้องสละภรรยาสละลูกสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปถึงจะได้มีเวลาบวชอย่างได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เนี่คือหน้าที่ของการทําทานที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา หลายก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าทําได้เพียงแต่ทําบุญทาทานรักษาศีลห้าได้ตายไปแล้วก็จะได้ไปสวรรค์อันนี้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้ถ้าตายถ้าทําบุญมากกว่าทําบาปบาปน้อยกว่าบุญบุญก็จะพาเราไปสวรรค์แต่ถ้าทําบาปมากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงเราไปนรกดึงเราไปอบายอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมมันได้เป็นเรื่องที่พระเจ้ามา มาเปลี่ยนแปลงหรือมากำหนดขึ้นแต่เรื่องที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำบุญทำทานนี้ไม่หวังให้ทำบุญทำทานเพื่อไปแค่สวรรค์ทั้งเพราะสวรรค์มันเป็นแค่ความสุขชั่วคราวเป็นของชั่วคราวไปตายไปแล้วไปเกิดอยู่บนสวรรค์ได้อยู่ซักระยะหนึ่งพอบุญที่ส่งไปหมดมันก็จะดึงให้ใจเรากลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาทุกกับการแก่การเจ็บการตาย แล้วก็ต้องมาทําตามความอยากต่อไปเพราะความอยากนี้มันไม่ได้ถูกกําจัดจากการรักษาสีเนื้อจากการทําบุญทําทานเท้งนั้นความอยากมันจะถูกกําจัดให้หมดไปได้ต้องเกิดจากการภาวนาสมถะภาวนาคือการจาใจให้สงบเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาการสอนใจให้ฉลาดเรียกว่าปัญญาถึงจะสามารถที่จะมา หยุดความอยากที่มีอยู่ในใจทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้นี่คือเรื่องของการทำทานพูดมาเล่ามาให้เป็นตัวอย่างว่ารทำทานที่แท้จริงในหลักพระพุทธศาสนานี้ทำทานเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องมีภาระกับการหาเงินหาทองกับการเลี้ยงดูร่างกายเรารเลี้ยงดูคนนั้นคนนี้เราต้องสละหมดสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปเอาแต่ตัวของเราไปคนเดียวทนั้นเอง สมบัติก็ดีข้าของก็ดีตำแหน่งก็ดีญาติพี่น้องก็ดีสามีภรรยาก็ดีต้องตัดให้หมดต้องสละให้หมดทําทานยกให้คนอื่นไปให้หมดมีมีหลวงตารูปหนึ่งหลวงปู่ขาวนี่ท่านสละภรรยาให้กับชู้ไปได้ยินว่าภรรยากปลัมีชู้ตอนต้นก็โกรธอาฆาตเครียดแค้นอยากจะฆ่าเขาทั้งสองคนแต่พอได้สติขึ้นมาก็บอกว่า ถ้าเราไปฆ่าเขานี่เราเลวกว่าเขาเอีก็เลยหยุดการฆ่าเห็นโทษของการมีครอบครัวว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งการมีครอบครัวมันเป็นตัวที่จะทําให้เราทุกข์เพราะเราไปรักไปหวงในสิ่งที่เรามีเพราะสิ่ง ท, ที่เรามีเขาไม่รักเราเขาไปสนใจ เ, เขาไปชอบคนอื่นมันก็ทําให้เราเสียใจได้ท่านก็เลยตัดสินใจไม่มีดีกว่ายกภรรยาให้ชู้ไป énergie. แล้วตัวท่านก็ยกสละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ไปบวชพอไปบวชไม่นานปฏิบัติไปศึกษากับหลวงปู่มั่นท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาหลวงปู่ขาวเห็นวัดถ้ำกองเพลงอันนี้ก็เกิดจากการเสียสละการทำทานคือสละภรรยาให้คนอื่นไปเมื่อภรรยาเขาไม่รักเราแล้ ว, ลวเขาชอบคนอื่นก็ให้เขาไปเราตัวท่านก็ท่านก็จะได้ไปบวชได้ ถ้ า, ย, ายัางภรรยายังรักท่านอยู่ท่านก็ไม่กล้าทิ้งเขาอีกอะเป็นห่วงเขารักเขาห่วงเขาเขารักเราเราก็ต้องรักเขาก็เลยไปไม่ได้แต่พอภรรยาเปลี่ยนใจเขาไม่รักเราแล้วมันก็เลยทําให้การตัดสินใจที่จะเลิกกับเขานี้มันง่ายขึ้นก็ยกให้เขาไปเลยยกให้คนอื่นไปเลยตัวท่านก็จะได้เป็นอิสระจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่นี่คือหน้าที่ของการทําทาน เพื่อปลดเปลื้องภาระต่างๆที่เรายังต้องเกี่ยวข้องอยู่ยังต้องมีมีมีความรับผิดชอบอยู่พอเราสละไปหมดทรัพสมบัติเข้าของเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์อะไ ร, ะ ไ, รไปหมดทีนีก้ก็กลายเป็นคนธรรมดาคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวนี่แหละเป็นคนที่ไปบวชได้คนที่ยังมีตำแหน่งมียศมีทรัพย์มีสมบัตินี้ ไปบวชยากอันนี้คือหน้าที่ของทานทานมาเพื่อทําให้เราปลดเปลื้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ให้เราไปยึดไปติ ด, ดให้เราปล่อยให้ปล่อยวางให้เราเสียสละไปใครอยากได้ใครอยากมีอะไรที่เรามีอยู่ก็ยกให้เขาไปให้หมดสิ่งที่เราต้องการก็คือเวลาที่เราจะให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเท่านั้นผู้ที่จะไปนิพพานต้องคิดอย่างนี้ การทำบุญทำทานนี้ไม่ได้ทำบุญทำทานเพื่อไปแค่สวรรค์เท่านั้นทำเพื่อให้ไปถึงพระ น, นิพพานแต่เบื้องต้นก็ได้รางวัลเหมือนกับ น, นักมวยเวลาที่เขาชคในโอลิมปิกเวลาเขาชนะแต่ละครั้งเขาก็จะได้เหรียญแต่ละแต่ละชิ้นเบื้องต้นก็จะได้เหรียญ ท, ทองแดงก่อนพอชกครั้งที่สองชนะก็จะได้เหรียญเงินพอชกครั้งที่สามก็จะได้เหรียญเหรียญทองอันนี้ก็เหมือนกัน พอเราทำบุญทาทานเราสาระทรัพย์สมบัติได้หมดไม่ทำแบาบปเราก็ไปได้ได้เหรียญเหรียญทองแดงแล้วก็ได้สวรรค์ชั้นเทพแล้วแล้วพอเราไปฝึกสตินั่งสมาธิเราก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมไ ด, ได้ได้เหรียญเงินแล้วแล้วพอเราไปเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นอริยรสัจว์่ให้เห็นายรักแล้วสามารถดับกิเลสหยุดความอยากต่างๆได้หมดเราก็จะได้เหรียญทอง คือได้เหรียญทองของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็มีสามเหรียญขั้นแรกเราก็จะได้เหรียญทองแดงคือได้สวรรค์จากการทาทานเสียสละแบ่งปันของเราขั้นที่สองเราก็จะได้เหรียญเงินคือเราจะได้สมาธิได้สวรรค์ชั้นพรหมแล้วขั้นที่สามพอเราได้ปัญญาเราก็จะได้เหรียญทองคือได้ได้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอริยบุคคล เป้าหมายของเราอยู่ที่เหรียญทองของการทางศาสนาพวกนี้เราไม่ต้องการเหรียญทองแดงหรือเหรียญเงินเราต้องการเหรียญทองเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ต้องผ่านขั้นตอนไปเหมือนกับนักมวยเวลาที่เขาโชคคัดเลือกกันเ้าก็โชคกันไปคัดเลือกกันไปว่าใครฝีมือดีกว่าก็เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นขึ้นไปได้เดืนเลืนขึ้นไปสู่ชั้นทองแดงเหรียญทองแดงแล้วก็ขึ้นไปสูเ่เหรียญเงินแล้วก็ไปสู่เหรียญทองในที่สุด ทางศาสนาก็แบบเดียวกันการปฏิบัติทางศาสนานี่ก็เป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนเลื่อนรางวัลการทำทานนี้ก็ได้แล้วขั้นแรกก็คือได้สวรรค์ชั้นเทพแล้วพอได้สวรรค์ชั้นเทพก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิพอได้ฌานได้ความสงบก็ได้สวรรค์ชั้นกรมแล้วพอออกจากฌานออกมามาเจริญปัญญามาพิจารณาเรื่องของไตลักเรื่องของอริยสัจส พอเห็นอริยาาสัจสี่เห็นตายรักษก็จะตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอหมดไปจากใจแล้วก็จะได้เหลือญทองได้มรรคผลผนิพพานได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันสกิฎาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ตามลําดับต่อไปอันนี้แหละคือเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิของการทําทานทําทานนี้เพื่อให้เราจะได้มีเวลา ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่คือได้ไปบวชเมื่อได้บวชได้ศึกษาเราก็จะได้ปฏิบัติเราก็จะรักษาศีลบวชเป็นพระก็มีศีลสองอยเจ็ดข้อก็รักษาไปแล้วก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้ได้ฌานได้อุเบกขาพอได้ฌานได้อุเบกขาแล้วก็ไปฝึกเจริญปัญญาต่อไปพิจารณาให้เห็นไตและให้เห็นอรยิยสัจสี่ให้เห็นว่าทุกนี้ก็จาก เกิดจากความอยากเกิดจากความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสทุกนี้เนี่ยความอยากนี้ที่พาให้ไปเกิดพอไปเกิดแล้วก็ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากก็ต้องไม่เกิดทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นการที่จะไม่เกิดก็ต้องละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ก า, ารจะรัได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่แล้วก็ต้องมีสติมีสมาธิเป็นผู้ที่จะทําหน้าที่ตามที่ได้เห็นคือไปหยุดกิเลสปัญญาไม่ได้หยุดกิเลสปัญญาสอนใจให้หยุดกิเลสใจจะหยุดกิเลสได้ต้องมีมีสมาธิ ม, มีมีอุเบกขาการที่จะมีสมาธิมีอุเบกขาก็ต้องมีเวลาปฏิบัติ การจะมีเวลาปฏิบัติก็ต้องมีศี่งเป็นข้อห้ามไม่ให้เราไปทําเรื่องอื่นให้เราทําแต่เรื่องเดียวคือเรื่องการปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยธรรมเหล่านี้มันเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกันที่สนับสนุนกันที่เราจะต้องมีเราจะต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไปเราถึงจะสามารถเข้าสู่ธรรมที่สูงได้ตามลําดับต่อไปแต่เบื้องต้นตอนนี้ให้เรามาฝึกการเสียสละก่อนอย่าโลภ อ, อย่าอยากไปมีทรัพย์สมบัติมากเกินไป ตอนนี้ยังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ก็ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแต่อย่าไปทํามาหากินเพื่อให้ร่ําให้รวยเพื่อจะได้เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพื่อเอาเงินไปเที่ยวตามความอยากอันนี้เป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับใจการทําตามความอยากนี้เป็นการไปต่ออายุ ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นต่อพบต่อชาติให้มีมากขึ้นดังนั้นเราอย่าไปหาเงินมาเพื่อมาต่อพบต่อชาติกันด้วยการเอาเงินไปใช้ ตามความอยากต่างๆถ้ามีหาถ้าเราเกิดหาได้มากกว่าที่เราต้องการเราก็เอาไปทำบุญทำทานกันคอยควบคุมการใช้เงินของเราไม่ให้ใช้เงินไปในทางที่ผิดให้มันใช้ไปในทางที่ถูกก็คือการเลี้ยงดูปากท้องและร่างกายของเราแล้วถ้ามีส่วนที่เหลือส่วนที่เกินก็ให้เอาไปบริจากทำบุญทำทานไปแล้วมันจะทำให้เหล่านี้ควบคุมความอยากที่จะมีเงินมีทองได้ มันก็จะทำให้เราลดการเวลาให้กับการทำงานให้น้อยลงได้ในเมื่อเราไม่ใช้มากเราก็ไม่ต้องหามากเมื่อไม่ต้องหามากเราก็จะมีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้เพิ่มขึ้นเราก็สามารถศึกษาปฏิบัติธรรมในขณะที่เรายังเป็นผู้คลองเรือนได้อยู่ในเบื้องต้นแต่พอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเราไ ด, ได้เริ่มได้รับผลจากการปฏิบัติว่ามันมีความสุขมากกว่าการมีเงินมีทอง เดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะอยากจะไปปฏิบัติอย่างเต็มที่อยากจะหยุดหาเงินหาทองหยุดจะหยุดที่อยากจะใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองนี้สู้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทำไม่ได้อันนั้นอาจจะถึงเวลาที่จะทำให้เราอยากจะออกบวชกันอยากจะหยุดการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาหาความสุขกันเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาเงินหาทอง อยากจากการใช้เงินใช้ทองมาหาสติหาหาปัญญาหาสมาธิหาความสงบกันก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้นและการที่จะได้ปฏิบัติมากขึ้นอย่างเต็มเวลาเต็มที่ก็ต้องไปบวชกันอันนี้มันก็จะพาเราไปเองถ้าเราเริ่มกระทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเบื้องต้นก็คอยควบคุมการใช้เงินอย่าให้ไปใช้ในทางที่ผิดอย่าไปใช้กับความอยาก อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากไปเที่ยวที่นี่อยากจะไปกินไปดื่มอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากจะซื้อของแพงๆของหรูหรานี่ต้องตัดไปให้หมดให้ได้เอาเงินที่สามารถไปซื้อของเหล่านี้ไปทำบุญแทนทำแล้วใจจะอิ่มแล้วความอยากที่จะใช้เงินในทางที่ผิดมันจะอ่อนกาลังลงแล้วมันจะทาให้เรานีา้ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อเราไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะมีเวลา เพราะไม่ต้องใช้เวลาในการหาเงินมากนั่นเองเราก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติได้มากขึ้นเมื่อได้ปฏิบัติมากขึ้นได้พบกับผลที่ได้เกิดจากการปฏิบัติคือได้ความสุขมากขึ้นก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้นขึ้นไปใหญ่ก็จะทำให้เรามีกำลังที่จะสามารถสละทรัพย์สมบัติเข้างของเงินทองและออกไปบวชได้อย่างอย่างถาวรต่อไปเบื้องต้นก็อาจจะไปบวชแบบชั่วคราวก่อน วันพระทีก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติครั้งหนึ่งปฏิบัติไปนูบาสุกุบาสิกาไปก่อนแล้วพอปฏิบัติแล้วได้ผลดีมากขึ้นก็อาจจะไปอยู่วัด น, นานขึ้นแทนที่จะไปอยู่แค่วันเดียวก็อาจจะไปอยู่สองวันสามวันเพราะเราไม่ต้องทํางานมากเราทํางานน้อยลงแล้วเวลาหาเงินเราให้มันน้อยลงไปเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องมีเงินมากเราก็จะมีเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นนั่นเอง พอปฏิบัติมากขึ้นมันก็จะได้ผลมากขึ้นมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจมีความอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้เราในที่สุดสามารถที่จะออกบวชได้ออกไปอยู่ไปปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มรูปแบบพอเราได้ปฏิบัติธรรมได้เต็มรูปแบบเราก็จะบรรลุธรรมตามตามต่อไปอย่างแน่นอนหลังจากที่เราบรรลุแล้วทีนี้เราก็ทาหน้าที่เอาความรู้ความ สิ่งที่เราได้บรรลุนี้มาสอนผู้อื่นต่อไปสอนให้เขามีความเห็นว่าการบวชนี้ดีที่สุดการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ดีที่สุดเพราะผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินี้ไม่มีผลนั้นใดในโลกนี้ที่จะดีเท่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียน้ายตายเกิดถ้าเรายังไปหาเงินหาทองหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นี้ เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเรายุติการหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองได้เราไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมได้เราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราเบื้องต้นก็ต้องศึกษาปฏิบัติแร้วบรรลุธรรมพอเราบรรลุธรรมแล้วเราก็ทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา ตลอดระยะเวลาที่ผู้เจ้าศึกษาและปฏิบัติอยู่6ปีพระพุทธเจ้าไม่เคยไปสอนใครเลยไม่เคยไปสั่งสอนแบบแบบเต็มร้อยอาจจะสอนบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ท่านจะไม่ได้เอาเป็นถือว่าเป็นงานหลักงานหลักของท่านก็คือการศึกษาการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่พอท่านหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี้งานหลักของท่านก็เปลี่ยนมาเป็นการเผยแผ่สั่งสอนแสดงธรรมวันละสี่รอบ ตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนดึกตอนค่ำสอนพระภิกษุสามเณรสามเณรสามเณรภิกษุณีตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนออกจะบินรบาดก็เล็งยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นอตอนนี้หลังจากที่บรรลุธรรมแล้วพระเจ้าก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วก็มีทาหน้าที่อย่างเดียวก็คือเผยแผ่สั่งสอนธรรมอยู่ถึง45ปีด้วยกัน อันนี้แหละคือตัวอย่างที่ดีของการที่เราจะทำนุบารุงพระพุทธศาสนาการที่จะทําให้เราดุดพ้นจากความทุกข์ต้องทําตามแบบฉบับที่พระพเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาคือต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องบรรลุธรรมแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปเผยแผ่ธรรมต่อไปถ้าเราพวกเราทุกคนทําอย่างนี้ได้ศาสนาของเรานี้จะอยู่จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองเพราะจะมีผู้บรรลุธรรมเป็นจํานวนมาก และเมื่อมีผู้บรรลุธรรมเป็นจนํานวนมากมก็จะดึงคนที่ไม่ม ไ, มได้บรรลุที่อยากจะบรรลุได้มาศึกษากันเป็นจนํานวนมากมเราก็จะมีพุทธศาสนิกชนเป็นจนํานวนมากมแล้วก็จะอยู่คู่โลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานต่อไปนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่ตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยาทาวาเลวะ า, าปุราปาริกุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตชินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพุเรนตุสังกปา จันโทปนาวาสยาามณนีโชติวาสยาาสัพพิติโยวิวัชฌานตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาตนะสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโน จตารุธรรมวาทันติอายุวันโอสุขังทารังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e ก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทางเฟซบุ๊ก496ท่านย t u b บ253ท่าน YouTube อกเอร์77ท่านมิทยอาออนไลน์วันนี้มีปัญหาครับอาจารย์ u b ับเฮาส์15ท่านนากรุติ130ท่านรวมทั้งหมด971ท่านครับถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลย มีคำถามจากหน้าคุติค่ะทั้งหมด3ามคำถามค่ะพระอาจารย์ข้อหนึ่งจะตัดกิเลสขี้เกียดนั่งสมาธิจะทําอย่างไรดีคะอย่างไรนะกิเลสกิเลสตัดกิเลสขี้เกียดนั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อ ต, ตัดด้วยความขยันก็ต้องบังคับต้องตั้งเวลาไว้ว่าเวลานี้จะนั่งสมาธิพอถึงเวลาก็ต้องนั่งเหมือนกินข้าวถึงเวลากินข้าวก็ต้องกิน อยากกินไม่อยากกินก็ต้องกินเพราะรว่าถ้าไม่กินแล้วมันมันจะเกิดโทษมากกว่าเกิดประโยชน์ก็<ม>จะหิวไม่ได้กินข้าวถ้าไม่นั่งสมาธิจิตก็จะไม่นิ่งไม่สงบจะฟุ้งซ่านฉะนั้นต้องต้องมีเวลากำหนดเวลาไว้ตารางเหมือนเราไปโรงเรียนเนี่ยเขามีเวลาให้เราเรียนวิชานี้วิชินั้นวิชานั้นวิชานี้ถึงเวลาเราก็เรียนตามวิชานั้นไป ข้อสองค่ะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะมีอุเบกขาได้เลยหรือเปล่าคะถ้าสงบก็ได้ถ้านั่งไปแล้วพูดคิดฟุ้งซ่านไปก็ไม่ได้เลยต้องฝึกสติให้มากๆแต่ก่อนที่จะมานั่งคอยหยุดความคิดให้บ่อยๆพยายามพุโทโธอยู่บ่อยๆเวลาคิดเพ้อเจอเพอ้อฝันไรก็พุโทโธพุโทโธอยู่นั่นข้อสามค่ะ นั่งสมาธิจะพิงหลังได้หรือไม่เพราะนั่งนางนๆจะปวดหลังมากค่ะโดยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพมันจาเป็นจะต้องพิงก็พิงได้แต่ประโยชน์อาจจะได้ทางด้านผลจากการปฏิบัติเพราะนั่งสบายแล้วสติมันจะค่อยๆหายไปแล้วมันจะทำให้หลับแทนที่จะได้สมาธิแต่ถ้ า, านั่งแบบไม่มีที่ทพิงนี่มันสติมันจะดีกว่าแต่ก็ต้องดูว่าเราต้องการอะไรกันแน่ ถ้าเรานั่งเพื่อต้องการความสงบได้ผลจากการนั่งเราก็ต้องยอมเจ็บบ้างยอมอรู้สึกแต่ถ้าไม่ถึงกับทําให้นั่งกายไม่สบายหรือพิกลี่การไปก็ทําไปเถิดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเวลาเราไม่ได้นั่งตลอดทั้งวันทั้งคืนนะก็เอาใ ช, ช่เวลาที่เรานั่งก็พยายามนั่งให้ตัวตรงไม่ต้องพิงอะไรจะดีกว่าจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ ะ, ะกับเรียนถามพระอาจารย์ว่า ถ้าเราไม่พูดความจริงเพื่อให้คนอื่นสบายใจถือว่าโกหกและผิดศีลไหมคะเช่นเราอยู่คนละที่กับแม่ถ้าแม่ถามว่าสบายดีไหมตอนนี้เราไม่สบายแต่เราบอกเราบอกไปว่าเราสบายดีถือว่าผิดศีลไหมคะอ่าก็โกหกเลยเราไม่สบายก็บอกไม่ก็อย่าพูดแค่นั้นเองเก็พูดหรอว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแม่ร่างกายมันก็มีสุขมีทุกข์เป็นตามเรื่องของมันแะไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าเราไม่สบายแล้วเราบอกว่าเราสบายมันก็โกหกลยถ้าเราพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดพูดเรื่องอื่นไปคำถามจากคุณนิรุตค่ะกับเป็นถามพระอาจารย์ครับหลังสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแล้วต้องสวดบทแผ่เมตตาหรือไม่ครับตามใจอยากจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แต่าการสวดก็ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตานะ การสวดเป็นการเรียนหรือเป็นการเตือนใจให้เราแผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดดังนเวลาเจอใครก็ทักทายเขายิ้มให้เขานี่ก็แผ่เมตตาไม่ใช่เจอเขาแล้วก็น่าบึ่งแต่เวลาไม่เจอก็สวดแผ่เมตตาเขาอย่างนี้ไม่ถูกการแผ่เมตตาอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่การสวดการสวดเป็นการซ้อมเป็นการฝึก ถ้าเราเจอเขาเราต้องยิ้มให้เขานะแผ่เมตตาพอเราเจอเขาเราไปทำหน้าบึง้งอย่างนี้นมันก็ไม่ใช่แผ่เมตตาคำถามต่อไปจากทาง youtube ค่ะลูกมีโรคประจําตัวออกไปหางานไม่ได้อยู่บ้านเขียนหนังสือแต่สมเดือนนี้เขียนไม่ได้หัวตื้อหัวตันทุกข์มากทําสมาธิก็ร้อนเพราะไม่มีไรายได้พยายามใช้เวลาส่วนมากทําสมาธิแต่ก็ยังเขียนไม่ได้ทําอย่างไรดีเจ้าคะ ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่ใจ ต, ตามสภาพทำใจอย่างเดียวทำใจว่าอย่างมากก็แค่ตายว่าตายแล้วความทรมานเหล่านี้มันก็หมดไปเองเพียง mm hmm. แต่ว่าอย่าไปฆ่าตัวตายนั้นปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาติ mm hmm. ถ้าเราทำอะไรได้เราก็ทำไป mm hmm. ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปดิ้นนนวลเกินความสามารถความอย่าไปทำตามความอยากเพราะความอยากนี่มันจะทำให้เราทุกข์เนี่แต่ทำทำตามความสามารถ ทำได้เ้าหลายก็ทำไปก็อยู่กับมันไปจนกว่าจะอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปจกคุณสุกัญญาค่ะกับเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะจิตอย่างไรจึงจะออกบวชเพื่อการปฏิบัติธรรมให้บรรลุได้เจ้าคะเมื่อจิตมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมมันก็จะไม่อยากจะไปทำอย่างอื่นมันก็อยากจะปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวมันก็จะไปบวชได้ คำถามต่อไปค่ะพระพระอาจารย์แนะให้ทิ้งเพื่อปฏิบตัติแต่ถ้าเป็นเพศหญิงสามารถออกบทได้ไหมเจ้าคะได้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีวัดที่ท่านก็นุเคราะห์ไปอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองแต่ก็อาจจะต้องไปช่วยงานวัดบ้างทำหน้าที่อะไรบางอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนค่าใช้จ่ายก็ไปได้ตั้งแต่ต้องหาเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าทุกว่าจะต้องมีกันมีทองไปวัดที่ท่านเป็นวัดปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าท่านเห็นว่าเราต้องการปฏิบัติจริงๆจังๆท่านก็อาจจะรับเราสงฆ์เราได้จากคุณพุทธานุสติค่ะเขาเรียนถามพระอาจารย์ครับโลกร้อนทุกวันนี้เกิดจากกรรมของสัตว์หรือว่าเกิดจากภัยธรรมชาติครับมันมีร้อนสองแบบร้อนใจกับร้อนกาย ถ้าร้อนใจก็เกิดจากกิเลสความโลภความอยากต่างๆทําให้ใจร้อนขับรถไปนี่อยากจะไปถึงเร็วๆใครขวางหน้ า, าก็โกรธขึ้นมาร้อนขึ้นมาอันนี้เป็นร้อนทางใจส่วนร้อนทางกายก็ตามที่นักคทิาศาสตร์ก็ว่าเกิดจากการที่เราเาผาผลาญพวกพวกน้ำมันอะไรพวกนี้ที่ทำให้เกิดกา๊าซมาคุมคุมโลกเรา ทำให้ความร้อนไม่สามารถหนีออกไปจากบรรยากาศได้มันก็เหมือนกับเราเอาเอาฝาไปปิดหม้อแกงที่เราต้ม อ, อยู่เนี่ยพอไปฝาปิดความร้อนมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นงเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะเดือดมันก็จะระเบิดออกมาโรคเราถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปโลกมันจะร้อนขึ้นร้อขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะโลกมันจะระเบิดยงงเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเผาถุกเขาไฟระเบิดแทบจะทุกวันทุกเดือนแนละ้วมั้งไม่ที่นู่นก็ที่นี่นย แสดงว่าโลกเรากำลังจะระเบิดเพราะว่าเราไม่มีที่ยงมันระบายความร้อนเนี่ยความร้อนมันไม่มีที่ออกไปมันกลับมาสะสมมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันผิดปกติไปหมดการหมุนเวียนของทางธรรมชาติก็ผิดปกติไปหมดเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของการอยู่ของเราต้องเลิกใช้รถยนต์ถ้าใช้รถยนต์ก็ใช้รถไฟฟ้าเนี่ ย, เ, ยเขาพยายามให้เรืนนรงการใช้พลังงานแบบที่ไม่ต้องใช้การเผาผลาญน้นํามันอะไรต่าง แต่ดีที่สุดก็ไปบวชกันเนะสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้รถยนต์ไม่ต้องใช้อะไรสมัยนั้นมีแต่ธรรมชาติเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรปรากฏการที่เป็นแบบทีเ่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้จากคุณนาวาค่ะได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศสอนว่าถ้าเห็นคนเป็นซ่วมเป็นถังขยะยังเป็นของปลอมอยู่ ต้องเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละทมของแท้เดินเข้าเดินเข้ากระแสพรานิพานท่านหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ่ะขอความเมตตาด้วยเจ้าคะ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาไป็นคนพูดแล้วต้องไปถามเขาเไม่อยากจะไปอ่านใจของเขาจากคุณเอกชัยคะ่ะการปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนที่จะทำให้เราไม่ต้องตกนรกตอนตายครับ คือถ้าต้องการปิดอบายอย่างถาวงก็ต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนคือขั้นพระสวสดาบาลแต่ถ้ายังไม่สามารถไปถึงขั้นนั้นได้ก็ขอให้เรารักษาศี่ห้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เยามากได้แล้วก็พยายามทําบุญให้มากเท่าที่เราจะทำได้ผลก็คือบุญมันจะมีมากกว่าบาปถ้าจาับได้บาปบุญมันมีมากกว่าบาปเวลาตายไปก็ยังไม่ไปอบายมันก็ยังไปสวรรค์อยู่ เพราะบุญจะมีกำลังดึงไปสวรรค์แต่ถ้าเวลาใดถ้าบาปมันมีมากกว่าบุญเวลานั้นบาปมันก็จะดึงไปอาบายได้แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจะมีกำลังที่จะหยุดบาปที่จะดึงไปให้ไปเกิดในอาบายได้มีปัญญามีสมาธิจากคุณวายค่ะ ขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะภาวนาแล้วโมหะแทรกเคริมเคลิมเวลาออกจากสมาธิทําอย่างไรให้เบาบางคะและเป็นพวกโทสะจริตพึ่งพึ่งภาวนาทําอย่างไรดีคะพยายามฝึกสติให้มากก่อนก่อนที่จะมานั่งก็พยายามคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วเวลามานั่งจิตก็จะสงบง่ายแล้วโมหะก็โทสะมันก็จะระ ง, งับไปถ้าไม่มีสติเดี๋ยวโทสะโมหะมันก็จะโผล่ขึ้นมา กันยังไม่มีจ้ะหมดแล้วน ะ, <า>ะมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะที่นี่ก็มาถามเองก็ได้มีไม่ให้ให้พูดได้ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวการศึกษาก็ต้องมีการสอบถามบ้างถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเพราะว่าเป็นการเรียนรู้พอเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็จะไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นัการสอบถามนี่ไม่ถือว่าเป็นการแสดงความโง่ของเราความจริงเป็นการแสดงความความฉลาดของเราที่เรารู้ว่าเรายังโง่อยู่คนที่คิดว่าตนเองฉลาดนั่นแหละคือคนแง่คนโง่ที่แท้จริงเพราะไม่มีใครฉลาดถ้าฉลาดจริงต้องไม่ไม่ต้องกลับมาเวีนว่าตายเกิดต้องเป็นพระอรหันต์ถึงจะเป็นคนที่ฉลาดจริงแต่ถ้าตราบใดยังมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่เรื่องมาคิดว่าตนเองฉลาดนี่ก็ถือว่าเป็นคนโง่ แต่คนที่รู้ว่าตนเองยังไม่ฉลาด น, นั่นแหนะหรือว่าเป็นคนที่จะมีโอกาสเป็นคนฉลาดได้เหตนั้นถ้าเรารู้ว่าเรายังโง่อยู่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเรากล้าถามแสดงว่าเราเป็นคนฉลาดแล้วเพราะเราจะเป็นคนที่จะมีโอกาสได้เป็นคนฉลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบเหตุนกีการการฟังธรรมอย่างเดียวจะไม่พอพระพุทธเจ้าจึงสงสอนว่ามีทั้งการสนทนาธรรมด้วยการฟังธรรมตา ม, ตามการตามเวลาการสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่ง การฟังธรรมก็เวลาที่ครูอาจารย์สอนเราเราฟังไปพอ ท, ท่านสอนเสร็จเราไม่เข้าใจตอนไหนถ้าท่านเปิดโอกาสให้เราถามแล้วก็ถามท่านได้ว่าตรงนี้หมายความว่าอย่างไรไม่เข้าใจช่วยกรลณาขยายความให้หน่อยเพราะปัญญาของคนบางคนนี้มันขยายขยายเองไม่เป็นคนบางคนฉลาดนี้ขยายความเองได้วิเคราะห์ได้ แต่คนที่วิเคราะห์ไม่เป็นนี้อาจจะต้องอาศัยให้ครูบาอาจารย์มาช่วยวิเคราะห์ขยายความให้ฟังทีถึงจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นในธรรมะในาศาสนาเราจึงมีให้มีการฟังธรรมและให้มีการสนทนาธรรมตามการตามเวลาเช่นตอนนี้เป็นเวลาของการสนทนาธรรมถามตอบคำถามมีคำถามไม่เข้าใจอะไรก็เชิญถามได้มีคำถามเขามาเพิ่มมอมีหนึ่งข้อเจ้าค่ะ จากคุณแดงสิงโตทองค่ะถามว่าการที่เรามีนี่ในปัจจุบันเกิดจากการกระทําในปัจจุบันหรือกรรมในอดีตส่งผลเจ้าคะการที่เรามีอะไรนะเป็นนี่เจ้าคะ่ะเป็นนี่เจ้าค่ะเป็นนี่ก็เพราะเราไปกู้นี่ยมศีลเนาะมันก็เป็นสิยังไม่ไม่ต้องมันก็เกิดจากตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะราว่าเราเกิดมาเราไม่มีนี่ติดตัวมาไม่ใช่เลยใช่ไหมเรามาสร้างนี่ตอนที่เรามาเกิดกันเนี่ย ตอนที่เราไปซื้อรถนี่ล้วก็ไปสร้างหนี้ขึ้นมาะซื้อบ้านแล้วก็ไปสร้างหนี้ขึ้นมาถ้ามันไม่ซื้อเงินสดแล้วจะได้ไม่เป็นหนี้กันถ้ายังไม่มีเงินสดก็เก็บไว้ก่อนซิเก็บเงินได้ดอกด้วยไม่ต้องเสียดอกไปซื้อเงินกู้นี่ต้องเสียดอกเขาเจ้โบราณเขามีบอกว่าให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่ารีบร้อนม ะ, ะม่วงตอนนี้มันยังดิบอยู่อย่าไปเอามากินเพราะมันเปรี้ยว จะรอให้มันสุกรอให้มันบ่มให้มันสุกก่อนเราจะได้กินของมะม่วงที่มีรสหวานฉนันใดถ้าเราอยากได้อะไรตอนนี้ถ้าเรายังมีเงินไม่พอจะซื้อเงินสดก็เอาเงินไปเก็บในธนาคารก่อนเก็บไปเรื่อยๆแล้วเยันจะมีดอกเบี้ยมาช่วยเราเพิ่มขึ้นให้มีเงินมากขึ้นอีกด้วยดีกว่าไปกู้เขาไ ป, ไปซื้อเงินผ่อนต้องเสียดอกเพิ่มอีกเช่นซื้อบ้านร้านหนึ่งต้องเสียดอกอีกสองแสนหรือสามแสนอย่างนี้ ถ้าเราซื้อเงินสดเราก็อาจจะไม่จ่ายถึงร้านเพราะเรามีเราเก็บเงินไว้ในธนาคารก่อนแล้วเราก็จะมีดอกจากการเงินที่เราเก็บเราอาจจะเก็บเงินแค่เก้าแสนแล้วมีดอกอยู่อีกแสนหนึ่งก็ได้ให้คิดแบบนี้มั่งสิคิดแบบคนฉลาดจะไปคิดแบบคนโง่คนโง่เนี่ยคิดแบบความโลภอยากได้อะไรเร็วๆอยากมีอะไรเร็วๆมันก็เลยต้องเป็นหนี้แล้วก็ต้องมาทุกข์ แานี้ยังมีความสุขกับสิ่งที่เราซื้อมากับต้องมาเทรยดมาทุกกับสิ่งที่เราซื้อมาอีกมีคำถามจากคุณวาสนะค่ะกับเรียนถามครับการรักษาสินแปเป็นประจำถ้าปฏิบัติน้อยจะเสียหายมากไหมครับขอคำชี้แนะด้วยครับเราไม่เสียหายหรอกการรักษาสินแปเพื่อให้เรามีเวลาไปปฏิบัตินั่นเองแทนที่เราจะไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็ เ, เวลาไปปฏิบัติ แทนที่เราจะไปกินอาหารเย็นไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปงานเลี้ยงต่างๆแล้วก็ เ, เวลานี้ไปปฏิบัติธรรมได้การถือศีลแปดนี้เป็นการสร้างเวลาให้กับการปฏิบัติเพราะการถือศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปทํากิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเพราะฉะนั<ม>้น<ม>แต่ถ้ารักษาศีลแปดแล้วไม่ไปปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ไม<อ>่ได<อ>้ถ้าไม่เอาไปปฏิบัติเขาเรียกเอาไปทําอะไรล่ะเวลาที่ว่าง เวลาที่ว่างก็ถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องเอาไปปฏิบัติ<ม>ต้องเอาไปนั่งสมาธิต้องอฟังเทศฟังธรรมไปเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะได้ไประโยชน์จากการปฏิบัติจากการที่เราจะมาถือศีลแปดกันมหมดหรือยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา<ม>ก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตรพิจารณาไปปฏิบัติ